คนเกิดมาในชาติบ้านเมืองของเราถ้าว่าไม่ได้รับการศึกษาที่ดีคนในชาติโง่เง่ า, งาเตา่าตุนพัฒนาประเทศชาติจะไปจะพัฒนาไปได้อย่างไรเพราะคนโง่ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีในเมื่อคนได้รับการศึกษาดีแล้วบ้านเมืองก็พัฒนาแล้วแต่โรงพยาบาลไม่ดีไม่มีแพทย์ไม่มีหมอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะทําทยัางไงนุ่น วิ่งไปต่างประเทศไปไปรักษาอยู่ต่างประเทศเพราะเมืองไทยไม่มีเครื่องมือไม่มีหมอพวกเราคิดดูกันแล้วกันว่าจะหาความไว้เนื้อเชื่อใจในการเป็นอยู่ของเราได้มากน้อยแค่ไหนเนืทาว่าการศึกษาเราก็ดีการแพทย์ของเราก็ดีนี่แหละประเทศชาติบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งแต่ถึงยังไงก็เถอะนะต้องคิดไว้ในใจอยู่เสมอถึงหมอจะดีขนาดไหนก็เถอะนะ ทานอาหารบริโภคทุกกลุ่มกลุ่มห้าขนาดไหนก็เถอะนะร่างกายนะี้ยังเป็นอืดหยุดเสมอพนะระพุทธเจ้าท่านบอกไว้งั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นถึงจะรักษาดีขนาดไหนก็เถอะหมอดีขนาดไหนก็เถอะอันนั้นคือเพียงแต่ว่าประทังประทังท่านเองก็ว่ายายายาคำว่ายาคล้ายๆกับว่าเหมือนกระมังมันรั่วหรือกระป๋องมันรั่วเราต้องยายาเอาไว้แต่พอมันผุจริงๆเนะ่ยมันยาไม่อยู่เลย เพราะมันตัวถังมันผุหมดแล้วมันยาไม่อยู่ไม่รู้จะยาที่ไหนเต็มไปหมดมันผุพังไปหมดคนที่สุดก็ต้องทิ้งกระป๋องกระป๋องใบนั้นกระมังใบนั้นตุ่มใบนั้นเพราะมันแตกมันรั่วไปหมดมันหมดสภาพนี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราเพียงแต่ยาช่วงที่มันปุ๊บขึ้นมาถ้าเราไม่ยาเอาไว้เป็นยังไงถ้าเราไม่ยาเไว้กันไม่มียามันเป็นอะไรมันก็เป็นจนพอแรง เป็นแผลกับแผลเน่าเวอะหวะอยู่อย่างงั้นนะไม่มียาใส่ถ้าเท่ามียาใส่มันก็หายได้เร็วอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ถึงยาขนาดไหนก็เถอะนะแต่ไม่คราวนี้ต้องคราวหน้าอีกเหมือนกันชีวิตน่ต้องถึงจุดจบนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงจุดจบทีนี่ท่านบอกว่าถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนให้อาหารการบริโภคดีขนาดไหนให้ผ้านุ่งผมดีขนาดไหน ให้ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนให้ที่อยู่อาศัยบ้านสร้างบ้านให้หรูหราโอ้อาขนาดไหนร่างกายของเราก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะคำว่าเป็นอื่นคืออะไรคือไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตายฮะร่างกายของเราจะต้องตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปลุ่มหลงหัวเมากับจะให้ความสําคัญกับร่างกายมากจนเกินไปนะพวกท่านทั้งหลายนะ คำว่าท่านทั้งหลายนั่นท่านพูดถึงใจแต้ร่างกายเนี่เหมือนกับรถเวลารถมันยางแตกลูกสูบมันติดหม้อน้ํามันรั่วหม้อน้ํามันแตกใครเป็นคนทุกข์ทุกข์กับรถคันนั้นรถมันทุกข์ใช่ไหมรถมันเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ใครเป็นทุกข์เจ้าของรถเจ้าของรถเป็นเป็นทุกข์ ทำไมรถมันไม่เป็นทุกมันไม่รู้นี่ก็เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถใจเนี่ยเหมือนกับเจ้าของของรถถ้าร่างกายมันแก่แก่มันก็แก่ไปเรื่อยพรามันใช้มางานมันก็ต้องแก่เหมือนกับรถเนี่ยใช้งานมาหลายปีมันก็ต้องทรุดโทรมไปธรรมดามันต้องแก่ยางเขามันก็ต้องดุดรุ่ยไปเรื่อยทุกส่วนของรถนั่ะเพราะมันใช้งานไป อันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเมื่อเกิดมาแล้วก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแล้วก็ผู้สูงอายุขึ้นมาเดี๋ยวกว่าผมขาวเดี๋ยวกว่าตาฟ้าฟางเดี๋ยวกว่าหูตึงเดี๋ยวกว่าฟันหลดุดเดี๋ยวกว่าหนังเหี่ยวอย่างเนี้ยเพราะเหตุอะไรเพราะใช้มานานแต่ร่างกายหนึง่งอย่าหูตึงนะอย่าตาฝ้าฟางนะอย่าฟันหลุดนะอย่าหนังเหี่ยวนะอย่าหลังค่อมนะ มันไ ม, ไม่มีใครห้ามได้ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็นเป็นไปตามของมันเมื่อก็เราขับรถนะ่ถนุถนอมดีขนาดไหนรถมันก็ยังสุดโสมไม่ถึงสิบปีต่างหากของเราได้เท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบปีปดสิบปีเก้าสิบปีจะไม่ให้มันชุดโสมได้ยังไง น, ะนี่แหละพระพุทธเจ้าพูวนวะ่าตัวผู้รู้นะ่ะคือใจนะ่นะอย่าลุ่มหลงนะอย่าหลงกายนะ อีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนะแตกตายสลายแน่นะแต่เมื่อตายแตกตายสลายเนะี่ยเมื่อรถคันนี้พังไปแล้วนะ่ะใจนั่นแหละจะต้องออกจากร่างนะไปหาซื้อรถคันใหม่อีกนะแต่ก่อนที่จะไปซื้อรถคันใหม่นะั่นนหะได้เตรียมพร้อมอะไอย่างหาเงินใส่กระเป๋าไว้ได้อย่างรถคันนี้มันพังแน่นะบางคนเขามีเงินเขาว่าห้าปีเขาเปลี่ยนคันใหม่ในขณะที่ถึงห้าปีนะเราได้เตรียมเงินไว้ได้วยอย่างเพราะจะเอาคันที่ไปเทินแล้วกนะ็เอา คันที่สองออกมามาใช้อีกเพื่อให้เป็นคันใหม่อยู่เรื่อยเพื่อจะได้ใช้เพื่อไม่มีอุปสรรคอันนี้คือคนมีเงินถ้าคนไม่มีเงินก็ใช้ไปจนมันผุพังคากับมือเลยแบบนั้นแต่แต่คนมีเงินเขาต้องคิดอย่างนั้นถึงจะผุพังกับมือก็เถอะนะเมื่อมันผุพังไปแล้วเรามีเงินได้เตรียมพร้อมอะไอย่างที่จะซื้อรถคันใหม่อีกต่อไปอันนี้ก็คือ พอพูดใ้เจ้าอ่ะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะรถคันนี้มันผุพังแน่มันถึงจุดจบแน่เมื่อถึงจุดจบแล้วออกจากรถคันนี้แล้วมีเงินละอย่างมีทุนละอย่างที่จะต้องซื้อรถคันใหม่นี่แหละท่านวะอันนั้นคือจุดไหนก็คือเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเพราะร่างกายของเราเนี่ยแตกตายสลายแน่ออกจากร่างนี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนถ้าว่าเรามีทุนเราไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้านไปเกิดสวรรค์ชั้นพรม ที่พระพุทธเจ้าได้ค้นคว้าศึกษาดูแล้วมีพรหมมีสวรรค์มีมนุษย์มีสัตว์ติระฉานมีเปรตมีสัตว์นรกพร้อมที่จะไปได้ทุกอย่างแต่พวกเราเห็นแต่มนุษย์กับสัตว์ติระฉานสัตว์ติระฉานเน่ยมองเห็นได้ยุเยอะไปหมดพังกันแต่แต่วเทพวดาเนะ่ยเรามองไม่เห็นอันนั้นเป็นกายทิพย์นะพรหมเหมือนกันเรามองไม่เห็นเปรตนรกก็คงเหมือนกันมองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าแบบมีนะ มีสิ่งเหล่านั้นมีสิ่งลึกลับมีที่พวกเราถ้าพวกเราไม่เห็นว่าไม่มีไม่ได้นะเหมือนดาวในท้องฟ้าเนะ่ะเราไปเห็นแต่ดวงจันทร์กับดาวพระอังคารดาวพระเคราะห์อะไรแต่ดาวในท้องฟ้าเนะี่ยเป็นหมืนหมน่นๆชั้นแสนดวงนะดาวเหล่านั้นมันเป็นยังไงยังค้นคว้ายังไม่พบยังไม่เจอเพราะเหตุอะไรมันเหมือนกับดวงนี้ไมไม่น่าจะเหมือนกันแต่ละดวงมันคงจะมี ของมันอีกต่างหากนะนี่แหละสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราค้นคว้ายังไม่ได้เราต้องเชื่อเชื่อเขาไว้ก่อนทีข่ขอไปเห็นดวงจันทร์เนี่ยเราก็เชื่อเขาไว้ก่อนดวงจันทร์เป็นยังไงเราก็ต้องฟังเขานี่ก็เหมือนกันเพราะพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะถ้าท่านพวกท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูนให้พวกท่านนั่งภาวนานั่งขัดสมาธิอย่างเรา ท, ที่นั่งอยู่โคลนต้นโพนะ่น ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตนิ่งแล้วเมื่อจิตไม่คิดไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านแล้วจะเกิดญาณทัศนะจากนั้นเราระลึกชาติผลหลังได้ปุกเพในวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉนั้นตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวพวกเราท่าทั้งหลาย เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดให้นั่งภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนเหมือนกับเราเยอยากจะกินพริกทํำยังไงต้องปลูกสิปลูกวิธีทําไงอทําแปลงซะก่อนเมื่อทําแปลงแล้วหามเม็ดของพริกมาหยอดลงจากนั้นเป็นพริกเราก็ต้องรักษารักษาหญ้ารักษาอย่าให้มันมีต้นไม้คลุมให้มันแดดลงๆอย่าให้มันแดดมากเกินไปต้องปิดเอาไว้อย่าให้มันแดด เผาเกินไปมันต้องการมีแสงสว่างแดดบ้างแต่อย่าให้แดดเกินไปอย่าให้ฝนมากอย่าให้น้ําเกินไปนี่เราก็ต้องรักษาพอรักษาเสร็จแล้วมันก็เป็นผลขึ้นมาให้พวกเราได้กินได้อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทําสมาธิทําอย่างนี้นะถ้าพวกท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติตามแนวธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะ รู้ได้ด้วยตนเองนะนี่แหละนี่คือธรรมประธรรมคำสอนผลทั้งพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายและไม่สูญผูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราที่เรารักเคารพนับถือทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสายหลวงปู่มั่นท่านยืนยันแล้วยืนยันอีกนั่งยืนนอนยืนนั่งยืนเหมือนกันในอริยบทสีท่านยืนทั้งหมดนหมือนกันเยืนยันว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอ น, นเหมือนน เพราะนั้นเราเป็นลูกเป็นหลานของท่านก็ฟังเอาไว้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีแล้วพบนิชัดนี้เราก็ไม่เดือดร้อนไม่ใช่เหรอถ้าเราทำกรรมชั่วเสียหายแล้วนั้นใครไม่รู้เราก็รู้ด้วยเราก็รู้ด้วยตนเองจากนั้นถ้าคนอื่นเขารู้ทำมันโทษหนักเขาก็จับไหมใส่โทษจะเอาเราเข้าคุก เ, เข้าตารางนะท่าเพราะเหตุอะไรเพราะเราทาไม่ดีทาให้คนคนอื่นเดือดร้อนนะ เพราะนั้นถ้าเราทําดีแล้วเราก็อยู่เย็นเป็นสุขก็ไม่เห็นมีอะไรลอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขไปหมดทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเราอยู่ในสถานที่ใดช่วยกันเนืเครื่องมือพงเครื่องมือแพทยการศึกษาสาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถ้าใครทําความดีอย่างนั้นแล้วใครจะมาจับไหมใส่โทษเราใครได้ยินก็มีแต่เชิดชูบูชาถึงเขาจะทําไม่ได้ เขาก็ได้ใช้ผลงานของเราแล้วก็เนี่ยแหละไม่วันใดก็วันหนึ่งเขาจะต้องระลึกถึงเออเราไม่ตายก็เพราะเครื่องมือเครื่องไม้ของพวกพี่น้องประชาชนที่เขารวมกลุ่มกันซื้อนี่แหละที่เรามาได้รักษาในคราวนี้นะอย่างน้อยก็ต้องระลึกถึงบุญคุณที่ผู้ที่ทําอุปการคุณไว้ก่อนนะตอนนี้ไปรับพรนะตอนนี้อนุโมท น, นาให้พร